ในที่เอื้อม่เื้บ้างอยู่ในที่เนียบเนียบ้างโดยการมีจัดสรรตัว เ, เองออกมาอยู่ในสถานที่หรือสภาพแวดล้อมที่มันไม่รุ่ดวายหรือว่าสถานที่ที่มันเอื้อในการปฏิบัติธรรมถ้าเปนเรื่องนี้นนนเราก็เรียกว่าเราสามารถจัดกรรได้ไม่ใช่ว่าเราจะต้อง จะอยู่แต่ทุกทีกับผู้คนกับการงานต่างๆเท่านั้นเพาะบางทีการอาศัยการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะในช่วงเร้อมต้นเลยนะบางทีถึงแวดล้อมมีต้มีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เราตั้งมั่นมั่นคงการปฏิบัติธรรมเราก็เรียกว่ามีการเจลาเป็นกาัดกทานตัวเองออกมากสู่สิ่งแวดล้อมที่ดีสิ่งแวดล้อม ในที่นี้ก็เป็นในเชิงสถานที่ก็เป็นส่วนสำคัญสถานที่ทําไมที่วัดถึงเป็นที่ที่เอื้องในการปฏิบัติธรรมมากกว่าอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ในตลาดมีที่ทางานเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่สงบแล้วก็มีบรรยากาศที่ต้องลื่นแต่อย่างที่นี่ก็ถือว่าเก็บถึงินกับวัดก็ได้นะเป็นสานที่ที่เรียกว่า มีความไม่ฆ่าเี่ยวร่มเรื่อมีความสงบมีความเงียบมีความพร้อมเหมือนกับวัดป่านะก็เป็นสถานที่ที่เราเลือกมาเลื่อหมายใครได้ในะส่วนของสิ่งได้ล้อมที่สําคัญอีกส่วนนึงก็คือการมีนนแรงมิตรหรือว่าคนที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรที่จะเชื้อฟูลในกาปรปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นส่วนที่สําคัญเหมือนกันนะคุณเจ้าทงานตะัดตไว้เลยว่าเกีเ่ย มงคลมงคลสูตรหรือว่าสูตรที่จะทําชีวิตเราให้ไปสู่สิ่งดีงามหรือทุกสิ่งที่มงคลอันดับแรกท่านก็บอกไว้ว่าการที่เราไม่พบคนทานอันดับที่สองการที่เรารู้จักพบบัณฑิตนะอันดับที่สาท่านบอกว่าควรบูชาบุคคลที่ควรบูชานะีถ้าเราทำสามอย่างนี้ได้นะมันเป็นมันจะสร้าง ม, มงคลแก่เราได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเรื่อง ถึงได้ร้องภายนอกท่านสอนให้เรารู้จักจับสันในการพบหมู่มิรในการเข้าหาคนที่ควรที่จะควรค่าแก่การบูชาหรือว่าเป็นคนที่ทำให้เราเจนสุดได้ะฉะนั้นถ้าเราออกไปไปชีวิตข้งนอบางทีการมีกะเ น, มมนอมมิรมี่วนเรื่องที่ดีมากแล้วก็ไม่ใช่แค่ดีหย่าเดย แต่เ ป, เป็นการส่งเสริมทำให้เรามั่นคงในแนวทางที่เราทำบางทีในกระแสสังคมภายนอกเนะาะบงทีคนที่จะสนใจในเรื่อง<ม>ของจิตใจของเรื่องธรรมะเรื่องศาสนาเนี้ยมาก็ยังถือว่าเป็นคนส่วนน้อยในสังคมเป็นคนส่วนน้อยในโลกก็ว่าได้เพราะนั้นการที่พวกเราเป็นคนส่วนน้อยที่สนใจธรรมะสนใจเรื่องปารกจิตใจเนี่ย บางทีถ้าเราไม่มั่นคงด้ตัวของเราเองจะโดนกระแสของสังคมภายนอกกระแสโรคพัดพาหรือบ้าดึงเราไปได้ง่ายบางทีเราเห็นอยู่ว่าคุณค่าของธรรมะคนดีแน่นอนแหละแต่บิงทีคนก็ะทนคนกีดเดความเย้ายวนของโรคภายนอกไม่ได้แต่ถ้าเรามีกัญญาณมิตรที่คอยเป็นเพื่อนเป็นมิตรในการเดินทางหรือว่าในการศึกษาหาโดยกัน หรือว่าบางทีเราอาจจะทอาอาจจะถอยเราอาจจะเควไปจากแนวทางนี้แต่เมื่อก็มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่สนใจทำเช่นเดียวกันสามารถบอกกันเตือนกันแนะนํากันได้ท่านั้นมันจะช่วยเป็นการพยุงกันแล้วก็ช่วยในการเดินทางนะเราก็ต้องรู้จักเลือกเลือกมีมิตรนะในในแนวทางที่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็พาการปฏิบัติธรรมนีม่แหละ นี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าจะทําให้เรามั่นคงมั่นคงในการเดินทางและที่สําคัญทําให้เราอบอุ่นใจด้วยว่าเส้นทางเส้นนี้ยเราไม่ได้เดินคนเดียวนะเราไม่โดดเดีเดยนะเเด่ยวเดยว ด, ยวดยายแต่น้อยมีเพื่อนที่ร่วมเดินทางปฏิบัติธรรมกับเราอยู่อย่างน้อยมีครูบาอาจารย์ที่ท่านก็ชัดเจนในแนวทางการปฏิบัตินี้อยู่นะถ้ามีอะไรติดขดัดตรงไปก็สามารถ สอบถามผู้ซื้อท่านได้เราก็มั่นใจเลยว่าเส้นทางที่เราเดินเนี่ยมันไม่ใช่เส้นทางที่เปล่าเปลี่ยวเดียวดายเป็นเป็นเส้นทางที่อบอุ่นด้วยการมีงานมิตรเพราะคนที่เลือกใช้เส้นทางชีวิตเช่นนี้เป็นคนที่เรียกว่ามีการไขว่รวนกับชีวิตมากพอสมควรแล้วเห็นแล้วว่าคุณค่าของชีวิตที่แท้จริงเป็นอย่างไร ทรัสินเงินทองชื่อเสียงจุณียศวัตถุภายนอกมันไม่ใช่สาระสาคัญของชีวิตเลยนะแต่มันเป็นแก้ส่วนประกอบหรือว่าเป็นส่วนที่เอื้ อ, อทําให้ชีวิตมีความสะดวกสบายมีความไม่อัตขัดขัดสนก็เพียงแค่นั้นนะทําให้การดนำลงชีวิตด้วยปัจจัยสี่หรือว่าปัจจัยอื่นอืมันพร้อมมันสะดวกขึ้นก็แค่นั้นแต่ถึงที่สุดแล้วในชีวิตมันต้องการอะไรนะก่อนที่เราจะตาย ก่อนที่เราจะหมดลมหายใจหรือว่าตายไปแล้วสิ่งอะไรที่เอาไปได้จริงๆมันก็เป็นคําถามที่เราก็ถ้าจะรู้คําตอบกันอยู่ว่าอะไรคือคุณค่าของการมีชีวิตที่สุดแล้วอะไรที่เราจะเอาไปได้อย่างแท้จริงถ้าเราเห็นคุณค่าตรงนี้แล้วเราก็จะเห็นว่เออธรรมะมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็เป็นเรื่องที่จําเป็นมากนะและการจัดสรรสิ่งแวดล้อม ทา้งที่เป็นสถานที่เป็นปัจจัยภายนอกก็เกื้อในการปฏิบัติธรรมหือว่าการจัดสรรแจดสรร์ัญญาณมิตรครูบาอาจารย์เครื่องใกล้คิดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากอันนี้เราก็สามารถจัดสรรเราสามารถเลือกได้เนะเาะเลือกได้แต่บางทีในสภาวะแวดล้อมบางอย่างเราไม่สามารถเลือกได้เราไม่สามารถเลือกสถานที่ได้ บางทีเราต้องอยู่ในที่ทํางานซึ่งมีมีความวุ่นวายบ้างหรือต้องไปเจอกับผู้คนที่สับสนวุ่นวายหรือบางทีเราก็ต้องอยู่กับเพื่อนร่วมงานซึ่งไม่เห็ไม่เข้าใจเราหรือบางทีทําให้เกิดความเดือดร้อนเกิดสมวุ่นวายในที่ตรงนั้นด้วยบางทีเราเดีกหนีสังคมที่นั้นไม่ได้หรือบางทีเราอยู่ในครอบครัวซึ่ง อาจจะไม่ค่อยเอื้อหรือว่าไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยรู้ว่าไม่ค่อยเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมหรือว่าคุณค่าของธรรมะที่เราก็หนีสภาวะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้สิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าเรานีไม่ได้เราควรจะทําอะไรเนีะถ้าหนีไม่ได้เราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจในการรับมือกับมันได้หนีไม่ได้ก็ไปต้องหนีนะเรียนรู้กับมันตรงนั่งไปเลยเรียนรู้ดู อาศัยธรรมะที่เราได้ฝึกได้หัดน่นแหละเอาไ ป, ไปเชิญเอาไปใช้กับกับสภาวะแะน้น อ, อนแบบนั้นเลยก็ยิ่งดีเหมือนกันนะจะได้เป็นตัวทดสอบดูว่าสติที่เราเคยฝึกธรรมะที่เราเคยรู้ที่เราคิดว่าเราเข้าใจมันใช้ได้ผลจริงหรือเปล่านะถ้ามันยังใช้ได้ผลเพียงแค่ในสถานที่ที่มันเอื้อเท่านั้นใช้ได้ผลแค่ในที่ที่อตอนที่มี กายันนี้มิือว่ามีครูบาอาจารย์แนะนําอันนั้นก็ยังเรียกว่ามันยังใช้ไม่ได้ผลจริงนะมันยังใช้ไม่ได้ผลจริงเหมือนอย่างนักกีฬาที่เขาเก่งแต่ตอนซอ้อมแต่ตอนแข่งจริงกับแพ้นะหรือว่าท่าดีตะที้เร็วนะอันนั้นนักปฏิบัติธรรมเราก็เช่นเดียวกันบางทีเราจะเก่งตอนซ้อมหรือว่าการปฏิบัติในรูปแบบหรือว่าการปฏิบัติที่ในคอร์สเนาะ ดูปฏิบัติแล้วมีความสงบมีความสุขมีความสงบนะดูไปได้ดีแต่พอไ ป, ปเผชิญกับชีวิตจริงกับแผลดุจมุยแบบนั้นก็ดูว่าก็ายังใช้ไม่ได้นะนะยังใช้ไม่ได้แต่การใช้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะการโทษตัวเองว่าตัวเองล้ม เ, เหลวแต่เจรยงแต่ว่าให้เราะหนักรู้ว่าเออไอ้ตรงเนี้ยการบ้านตรงเนี้ยเรายังทําไม่ผ่านยังสอบไม่ได้จะต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะให้ถือว่า สภาวะแวดล้อมแบบนั้นนหละเป็นตัวทดสอบเป็นสนามจริงในการฝึกนะในการนึกว่าในการฝึกจิตใจหรือว่าเป็นการทดสอบสติสมาธิาสัญญาของเร า, าแหละ ว, ว่ามันเียงพอแลหรือยังนถ้ายังไม่เียงพอเราควรจะทำอะไรนะถ้ายังไม่เียงพอเราก็ต้องหมันที่จะฝึกให้มันเก่งมากขึ้นํานานมากขึ้นแล้วก็ล อ, องดูกับชีวิตจริงนี่แหละ ว, ว่าเราจะผ่านมันได้หรือเปล่า ถ้าเรามีใจที่พร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับสภาวะแวดล้อมในทุกรูปแบบนะหมายว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากเป็นไปรหรแม้วันนี้แม้วันนี้จะกลับไปสู่ที่บ้านที่ทํางานจะเจอความวุ่นวายแต่อย่างน้อยเราก็มีสติที่เกิดจากการฝึกต่องสาวันเนี่ยกลับไปใช้ได้นะเอาไปลองใช้ดูนะแม้ไม่มีเวลาปฏิบัติในรูปแบบมาก เหมือนอย่างที่นี่เราก็อาศัยการปฏิบัตินอกรูปแบบนั่นแหละเป็นตัวเสริมนะในการทานอาหารอย่างน้อยก็วันหนึ่งก็สามมือ้อก็เกือบชั่วโมงแล้วนะในการอาบน้ําเช้าเย็นก็น่าจะเกือบชั่วโมงหรืออย่างน้อยก็ึชั่วโมงนะในการขับรถนะในการนั่งอยู่ในรถอยู่ในกรุงเทพแบบนี้ก็ใช้เวลาวันหนึ่งก็ น่าจะเป็นชัมม่วโมงได้ก็แล้วแต่ใกล้ไกลยงเงียเนี่ยในสิ่งเหล่านี้อย่างน้อยมันทำให้เราเรียกว่ามีสมาธิมีสติอยู่กับตัวเราเองได้ค่อนข้างมากหรือแม้แต่กิจวิทยประจาวันอื่นๆก็เช่นเดียวกันเราก็สามารถเรียนรู้ในการบูกายในการดูใจของเราได้บางทีต้องเกี่ยวข้องกับการงานต้องใช้ความคิดต้องใช้การบางแผนต่างๆ ถึงตอนนั้นเราก็ขอให้เราได้ตั้งใจคิดตั้งใจวางแผนตั้งใจทํางานไปเลยนะหมายถึงว่าตั้งใจทําให้งานมันสําเร็จด้วยดีตั้งใจคิดตั้งใจพูดอะไรพวกนี้ไอ้สิ่ง น, นีเราว่าใส่ความตั้งใจในการทําแต่พอจิตใจมันเผลอไปจากการวางแผนจากการคิดจากการพูดแค่เรารู้เท่าทันจิตใจเร า, าเออตอนนี้เรา ใจเราเผย อ, ออกไปจากการงานที่เราทำแล้วอันนี้คนนี้ก็เป็นการปฏิบัติทำได้ขึ้นเดียวกันหรือบางคนอาจจะเพิ่มอาจจะเพิ่มเทคนิคหรือว่าเพิ่มอุปกรณ์ตัวเสริมในการที่ทำให้ เ, ออเราสามารถกลมามีสติได้ในช่วงแต่ละวันแต่ละวันได้บางทีก็อาจจะเรียกว่ามีตัวเสริมเช่นมีโน้ตแปะไว้หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราเองก็ได้หรือว่า ให้เรียกว่ามืมีสติกลับมารู้สึกตัวเนาะอาจจะทุกครึ่งชั่วโมงหรือว่าทุกชั่วโมงหนึ่งเนี่ยให้ได right ้มีช่วงเดรกในการกลับมาตามดูลมหายใจของเราเองหรือว่าในการกลับมาตามรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวคลิกมือคว่ำจะคลิกมือขึ้นแล้วก็คว่ำมือลงเองนะหรือบางทีก็เป็นช่วงเดรในการรู้ว่าเอ ทุกช่วงที่เราจะเดินไปเข้าห้องน้ํำถ้าเราพยาการู้สึกเลยว่าใน th thi, thi th au, ทางที่ที่ทำงานของเราโต๊ะทํางานของเราไปสู่ห้องน้ํานี่เป็นทางเดินจมกรมของเรานะหรือว่าพักเที่ยงเดินออกจากที่ทํางานออกไปโรงอาหารนี่ก็เป็นทางเดินจมกคมของเรานะลานจอดรถถึงที่ทํางานของเรานี่ก็เป็นทางเดินจมกคมของเรานณเนี่ย เราพยายามดูว่านี่ยทุกสถานที่เราสามารถปฏิบัติทําได้นะทุกการเดินเป็นการเดินเป็นลมของเรานะทุกการทางกิจวัตรต่างๆก็เป็นสนามในการฝึกซ้อมในการดูกายบ้างในการดูใจของเราบ้างเช่นเดียวกันนะเนี่ยถ้าเราวางใจแบบนี้นะสถานที่ที่เพื่ออํานวยในการปฏิบัติครับก็ดีหมู่ปยยัจัยมิตรที่เอืออ้ออํานวยในการส่งเสริมให้ใจิตใจของเรา สูงขึ้นเองก็ดีก็เป็นสิ่งที่ยินงามแล้วแต่คราวนี้สถานที่ที่มันอาจจะไม่เอือ้ออ่าหรือว่าหมูปลายานมิที่หมู่มิตรที่อาจจะไม่เอื้อเท่าใดก็เป็นสถามในการฝึกซ้อมอิจใจของเราได้ดีขึ้นเดียวกันเนาะเราอย่าไปคอยท่ำโทษสิ่งภายนอกว่าสังคมมันวุ่นวายสถานที่มันไม่เอือ้อหมู่มิตรมันไม่่อยมีนะเรอย่าไปคอยโทษสิ่งเหล่า น, นั้นน เราไปหมั่นมาสำรวจตายใจของเราเองนี่แหละเอาอย่างน้อยก็ไม่มีมิตรนะให้เอาตัวเองเหมป็นมิตร ใ, ให้ได้ที่สุดนะมิตรเพราะว่ามีมที่แท้จริงเพนะื่อนที่แท้จริงแล้วถึงแม้แต่ครูบาอาจารย์ไม่มีใครสามารถอยู่กับเราได้ตลอดเวลาแม้แต่คนที่เรารักคนที่เขารักเราเขาก็ไม่สามารถอยู่กับเราไม่สามารถเป็นมิตรเราได้ตลอดเวลาแต่มิตรที่แท้จริงคือตัวของเราเองนีง่แหละที่จะเป็นคนที่ คอยเป็นมิตรแล้วก็คอยเกือนเราได้ระลอบเวลานะค่อยให้กำลังใจตัวเองให้ได้ตลอเวลานะเราจะสร้างมิตรเช่นนั้นได้จากอะไรมิตรเช่นนี้จะสร้างได้ต่อเมื่อมีธรรมะเท่านั้นนะต่อเมื่อมีสติเท่านั้นหรือว่าต่อเมื่อที่เรียกว่าเราพยายามที่จะไขครวนหรือว่ากลับมาตรวจสอบกายใจของเราบ่อยๆเท่านั้นตอนนี้จะเป็นมิตรที่ดีมากๆ จะเป็นคนที่คอยเตือนเราตลอดเวลานะให้เราทำงาได้รู้มีสิ่งที่เรากระทำอยูนะ่หรือว่าให้เราคอยเตือนเราตลอดเวลาเวลาที่มันเสือไปนะแล่ที่ใจลอยไปที่หลงไปที่ปวดไปก็จะมีสตนะิมีมิตรภายในที่แก้จริงนะั่นแหละเป็นคนคอยเตือนเราตลอดเวลาว่าช่วงนี้ปวดแล้วนะช่วงนี้หลงแล้วนะช่วงนี้นะ คุ้ตาสูงไปแล้วนะหรือบางทีบางคราวปเป็นติดปลุกเตือนไปแล้วนะหรือเนี่ยมันก็จะมีสตินีแหลเป็นคนคอยเตือนเป็นคนคอยเตะเป็นคนคอ ย, นคนคอยห้ามหรือบางทีก็เป็นคนคอยกระตุ้นกระตุ้นให้เราเรียกว่าชุกชักอย่างไรมากขึ้นให้เราพยายามสาร้างมิตรภายในใจของเราด้วยน ะ, ะมิตรภายในใจก็คือการที่เรามีสตินี่แหละคอยตือนตัเองใหได้ พยายามสร้างตรงนี้ใมนได้เพราะว่ามิตรใจจริงเนี่ยไปช่วยให้เราคิดว่าขอดู ม, มันค่แล้วก็ปลอดใจแล้วก็มีสติใจในการเือทางตัวเองมากข้เราว่าเมใ ท, ที่เราคิว่าถ้าเรามีสติคอยเตือนตัวเองได้เราจะรู้สึกเลยว่าทางเส้นนี้ไม่ได่าาาายากลนหากเกินไปแล้วมันเป็นทางซึ่เราคิดว่าคุณพบแล้วว่า การการเดินทางเรจะไปอย่างไรคือเรารู้แล้วว่าทางนี้คือทางเส้นไหนรู้วิธีเดินทางในการเดินทางตัวนี้แล้วแล้วก็เราก็รู้แล้วว่าเราก็เดินเป็นแล้วเดินได้แล้วเราเบื่อแต่ว่าเรายังเดินไปถึงเทีุ่ดที่แท้นั้นรู้ว่าทางตัวนี้เป็นอะไรรู้วิธีเดินทางแล้วแล้วก็ได้จะทําในการเดิน มแล้วเหลแต่ ว, ว่ายัางเดินไม่ถึงที่สุดแค่นั้นอาจมาเพว่าที่จรพวกเราก็รู้อยู่รู้อยู่ว่าการวิธีเดินทางเดินก็ดีหรือวิธีเดินก็ดีหรือว่าพวกเราก็ได้เดินแล้วก็ <c oughs> ขอแต่ว่าให้พวกเราได้เดินให้ถึงที่สุดแค่นั้นเนาะ <c oughs> ในชีวิตนี้ในชาตินี้ในพวกนี้มันไม่มากน ะ, นะ <c oughs> พวกเราใช้ชีวิตมาเราก็ไม่รู้หรอกว่าใช้มา คืนค้อนชีวิตยาสุบป่าหรือว่ามันจะเหลือมากน้อยเท่าไหร่เราไม่รู้หรอกนะแต่ถ้าเราเห็นว่าคุณค่าของชีวิตทีู่บป่จริงมันคืออะไรก็อยากให้พวกเราใช้ชีวิตที่เหลือนะไม่รู้จะมากน้อยเท่าเท่าไรนะในการให้คุณค่าหรือว่าให้ความสาคัญในการฝึกจิตใจตัวเองให้มากๆนะไม่ใช่เพียงแค่คิดไม่ใช่เพียงแค่จนะหนัแต่ขอให้ระทำด้วยกนะารแค่คิดเฉย มันก็ดนะีการจะหนักรู้มันก็ดีอยู่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการกระทำนะต้องแปลความคิดความรู้สึกมาสู่การกระทําให้ได้นระยังกระทํานี่มันมากที่สุดเท่าที่เราทําได้เพราะถ้าเรามีการกระทําแล้วนะมันก็จะจะทําให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางได้รวดเร็เวมากขึ้นมันจะปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่แค่เราปลอดภัยนะ ไม่ใช่แค่เราดีงาเพราะนั้นมันกลับเป็นการสมงเสริมหรือว่าเป็นการเชื่อหนุนเป็นการเชื่อคููไม่กับคนที่เรารักคนที่รักเราหรือคนนอกข้ามเราหรือแม้แต่คนที่เราจะไม่รู้จักเองเลยก็ดีแต่ได้มีโอกาสเป็นสัมผัสสัมพันธ์กันเขาก็จได้รับประโยชน์จากการที่เร า, าเรียกว่ามีธรรมะการที่เราสงบดูเย็นมีความสุขไม่มีความทุกข์นะี ก็กลับกลายเป็นประโยชน์เพื่อปูให้กับคนอื่นดนะ้วยเป็นประโยน์เชื้อปูให้กับสิ่งอื่นด้วยเหมือนกันเนี่แหละเนื่องการปฏิบัติธรรมน้องไม่ใช่เป็นการหนีโรคจนะเป็นการเรียกว่าเผชิญกับโรคนี้มีการศึกษายอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นการแค่เป็นแก่ตัวในการที่จะเอาตัวเองรอดเป็นอย่างเดียวแต่เป็นทั้งการ พาตัเองให้รอดปลอดภัยจากความทุกข์แล้วก็เป็นการที่เรียกว่าส่งเติมหรือว่าช่วยกูนให้คนอื่นพอได้พ้นจากความทุกข์ให้เขาได้มีความสุขขึ้นเหดือวกันนะเราทําแค่อย่างเดียวเนี่ยแหละแต่มันได้เรียกว่าได้ได้มักได้ผลในความลอกงามแบบเรียกว่าหาประมาณไม่ได้เลยนะหาประมาณไม่ได้จริงๆริงหนึ่งกระดองปลูกต้นไม้บางทีเราก็ไม่คิดหรอกว่า แค่ไม่ได้พันธพืชแค่ไม่ได้พันแค่ไม่ได้เดียวเช่นเราปลูกมะม่วงมะม่วงแค่เม็ดเดียวนนะแต่พอปลูกออกไปจริงพอมะม่วงต้นนั้นมันเรียกว่ามันเติบโตมันออกดอกออกผลโอ้แค่มะม่วงเม็เมด็ดเดียวนี่มันออกเป็นผลมะม่วงอีกเป็นร้อยจุดร้อยกว่าลูกโอ้มันมากมายมัหาสารหรือแม่อย่างข้าวข้าวเม็ดเดียว พอเอาไปดำเอาไป พ, อพ่อปลูกมันก็ออกเป็นรวมหลายสิบรวมออกเป็นเมล็ดหลายพันหลายหมีเมล็ดเพรมันว อ, อกน้ํามหาศาลมากดังนั้นอย่างดูถูกตัวเองนะให้เรามั่นใจว่าเราคนนึีนแหละเราก็เป็นคนที่สามารถที่จะเข้าถึงธรรมะได้น ะ, ะถ้าเราสามารถเข้าถึงธรรมะได้เราก็จะเกื้อฟูลให้คนอื่นเข้าถึงธรรมะเกื้อกูลให้คนอื่นเขา มีชีวิตที่สงบมีงามหรือว่ามีชีวิตที่ดีได้เพิ่มเดียวกันนะเริ่มต้นจากตัวของเราเองแล้วก็พยายามเชื่อคูณคนรอบข้างให้มากที่สุดเนะนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะมาบ้างไม่ใช่เป็นจุดหมายในการใช้ชีวิตที่เดีอของพวกเราทุกคนนะชีวิตเราจะได้เป็นชีวิตที่มีคุณค่าท่านคุณค่ากับตัวเองก็ดีแล้วก็คุณค่ากับคนรอบข้างก็ดีและที่สําคัญเป็นการต่อชีวิต ต่อคุณค่าให้กับศาสนาด้วยนะให้กับพระพุทธศาสนาบางทีเราก็คิดแต่ว่าเขาจะมาขึ้นศาสนาเขาจะมาขึ้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะขอให้ใจสารังทั้งสามนี่เป็นที่ขึ้นกับเราขอให้ศาสนาเป็นที่ขึ้นกับเราอาจะมาว่าการแคสมาขอท่านเป็นที่ขึ้นมันอาจจะยังไม่พอหรือว่าอาจจะไม่ถูกก็ไดนะ้นะแต่ถ้าเมื่อไรที่เราคิดว่า เราเนี่แหละจะเป็นส่วนหนึ่งในพระพุทธพระธรรมพระสงให้ได้เราเนี่ยะจะเป็นคนคนหนึ่งที่จะสืบทอดอายุพศาสนาให้ได้นะจะเป็นรูปแบบไหนก็ดีเป็นพระก็ดีเป็นนักบวชก็ดีหรือว่าเป็นฆราวาสก็ดีเราสามารถสืบทอดได้นะนะเราจะเป็นคนที่เรียกว่าทําให้ศาสนามันยั่งยืนยาวนานได้เช่นเดียวกันนะถ้าเราตั้งใจแบบนี้นะเราจะไม่ได้แค่หวังขึ้นหวังง้อหรือว่าเราคอย ให้ศาสนามาช่วยเราท่านั้นแต่เราจะช่วยในทุกวิถีทางจะทำแบบในนอให้ศาสนามันมั่งคงยั่งยืนได้มันจะทำให้เราเรียกว่ามีสติมีปัญญาแล้วก็สู่การกระทาได้นอกนามมากขึ้นอันนี้แหละอามาว่าถ้าเราเริ่มต้นจากการศึกษาเรียนรู้จากตัวเองอย่างแท้จริงปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงมันจะทำให้เรามีที่พึ่งทาให้ตัวเองเป็นที่พึ่งกับตัวเองได้ เรียกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนได้และที่สำคัญเราจะเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้แล้วก็เป็นคำดำของศาสนาด้วยนะในการบอกสอนก็ดีหรืออาจจะไม่มีโอกาสได้บอกสอนแต่อย่างน้อยก็ได้กระทาให้คนอื่นคนรอบข้างได้ดูแล้วเนี่นมาว่าเป็นการเรียกว่าสืบทอดอายุพศาสนานะถ้าเรารักษ า, ษาธรรมะได้อย่างแท้จริงนก็จะสามารถเรียกว่า บอกกล่าวสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นความจริงแก่โลกนี้ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นต่างรุด้วยเนาะก็ก็อยากให้พวกเราทุกคนได้ได้เป็นกำลังเป็นส่วนหนึ่งของศาสนานะแตเรียกว่าพุทธศาสานาก็าได้แต่จริงศาสนาที่แท้จริงก็คือตัวของเราเนี่แหละคือการที่เราพึ่งตัวเองได้นะเพราะว่าโลกรค น, นี้เนาะมันมันสับสนมันวุ่นวายมันร้อนมากนะในสมัยนี้นะ ความร้อนความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับโลกใบนี้มันเพิ่มฟูมมหาศาลคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากมีมากมายมหาศาลนะรอกำลังพวกเราเนี่แหละนะที่เห็นคุณค่าของการมีชีวิตเห็นคุณค่าของเรื่องปิดเรื่องใจเรื่องธรรมะให้พวกเราเนี่ยเป็นกำลังเป็นแนวหน้าในการพากันพากันกอบคู้โลกใบนี้นะกรอบผู้ใจตัวเองด้วยแล้วก็กอบคู้โลกนี้ให สวยงามที่มันน่าอยู่ขึ้นด้วยเนะาะก็ฝากฝากให้พวกเราได้เป็นกำลังกันแล้วก็เป็นหมู่เป็นมิตรในการเดินทางร่วมกัน